อัญจระทูกะหนึ่งกุศลติกะสี่สอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งไม่เป็นขุศลทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งซึ่งไม่เป็นขุศลทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระสีสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้ซึ่งไม่เป็นขุศลย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระ อรามณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจใจมีสามวาระสี่สิบสี่อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นขุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นขุศลย่อเหตุปัจจใจมีเก้าวาระอารามณะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอัญญามัญญาปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตาปัจใจมีเก้าวาระ สีห้าอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งไม่เป็นขุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นรูปซึ่งไม่เป็นขุศลยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอรมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระละถึงปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาศัยวณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมี9้าวาระสี่สิบหอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกิยะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกุตระซึ่งไม่เป็นกุศลย่อเฮตุปัจจัยมีห้าวาระอรามะณะปัจจัยมีสองวาระละถึงอาศัยวะณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระสี่สิบเจ็ด อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่เป็นกุศลย่อเหตุปัจจัยเนี่กลาวว่าละถึงอวิคตะปัจจัยในี่ยกล่าวว่าสิบสี่อจวะโคจกะหนึ่งกุศลติกะสี่สิบแปดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาจวะซึ่งไม่เป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นกุศลย่อเหตุ ป, ปัจจัยมีเก้าวาระละถึงวิปากาปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระสี่สิบข้าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นกุศลย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระ อารามณะปัจจัยมีสองวาระละถึงอายเสนณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี5วาร ะ, ราะาห้าสิอาศสยสภาวธรรมที่ไม่สัมพยุติด้วยอายสวะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปิวจากอายสวะซึ่งไม่เป็นกุศลย่อเฮตุปัจจัยมีเก้าวาระอารามณปัจจัยมี6วาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระ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 ห้าสิบสองอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะและที่ไม่วิปวิจารอาสวะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปวิจารอาสวะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นกุศลย่อเฮตุปปัจจัยเมฆาวาระและถึงอวิคตาปัจจัยเมฆาวาระไม่มีวิปากห้าสิบสามอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปวิจารอาสวะ และที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิบียิจากอาสวะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นกุศลยอ่อเฮตุ ป, ปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงอาเสวณปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตตปัจจัยมีห้าวาระย0สิบถึงห้าสบสฉโคะ หนุสลตึกกะห้าสิบสี่อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นสังโยชน์ซึ่งไม่เป็นกุศลย่อเหตุปัจใจมีเก้าวาระละถึงวิปากะปัจจใจมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีเก้าวาระห้าสิบห้าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะซึ่งไม่เป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโอคะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโยคะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ย่อเหตุปัจจัยมีเ้าวาระละถึงวิปากระปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาดซึ่งไม่เป็นกุศลย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระละถึง วิปากระปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระห้าสิบห้ามหันตะทุกปะหนึ่งปุชละดิกะห้าสิบหก อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ซึ่งไม่เป็นกุศลย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณ์ปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระและถึงอัญญามัญญาปัจจัยมีหกวาระละถึงปุเรชาติปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีก้าวาระห้าสิบเจอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นจิตซึ่งไม่เป็นกุศลยอ่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละห้าวาระห้าสิบอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกซึ่งไม่เป็นกุศลย่อเหตุปัจจัยมีก้าวาระละถึงปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระ อาศัยวัณะปัจจัยมีห้าวาระละถึงอาวิภัตตปัจจัยมีเก้าวาระห้าสิบเก้าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธวยจิตซึ่งไม่เป็นกุศลยอ่อให้ตุปปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงอัญญามัญญปัจจัยมีหกวาระละถึงปุเรชาตตปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาศัยวณหปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระหกสิบอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ร่าคนกับจิตซึ่งไม่เป็นกุศลย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงอัญญามัญญะปัจจัยมีหกวาระละถึงปุเรชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาศัวุณปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคัตตปัจจัยมีเ้าวาระหกสิบเอ็ดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งไม่เป็นกุศลย่อเหตุ ป, ปัจจัยมีเ้าวาระอารมณะปัจจัยมีเ้าวาระอธิปติ ป, ปัจจัยมีห้าวาระและถึงโอเรชาตาปัจจัยมีห้าวาระอาเสวุณปัจจัยมีห้าวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระหกสบสองอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งไม่เป็นกุศลย่อเหตุปัจจใจมีเก้าวาระและถึงปุเรชาติปัจจใจมีห้าวาระอาเสวัปัจจใจมีห้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระหกสบสาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นไปตามจิตซึ่งไม่เป็นกุศล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 ละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระหกสิบสี่อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ s <S ไม่เป็นภายนอกซึ่งไม่เป็นกุศลย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระหกสิบห้า อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานรูปซึ่งไม่เป็นกุศลย่อเฮตุปัจจัยมีห้าวาระอระมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงปุเรชาติปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระ 66. หกสิบหกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เชื่อฟรงรอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ ซึ่งไม่เป็นกุศลย่เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอาเสวณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระหกสิบเก้าอุปาทานะโคจรกะหนึ่งกุศลตเอกะหกสิบเจ็ดอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งไม่เป็นกุศลย่ เหตุปัจจัยม ah, ีเก ah, ah. ้าวาระละถึงวิปากาปจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระเจ็ดสิบห้ากิเลสข้อจกะหนึ่งกุศลติกะหกสิบแปดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศลย่อเหตุปัจจัยมีเ้าวาระละถึง วิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระหกสิบเกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศลย่อเจ็ดสิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทำให้เศร้ามองซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้ามองซึ่งไม่เป็นกุศลย่อ เคตุ oo, ปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระเจ็สิบเออาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปยุจกักกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศลยอ่อเคตุ hmm. aj, na, ปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึง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 อวิคตตปัจใจเมฆ้าวาระเจ็ดสิบสามอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสและที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้ามองซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้ามองและที่ไม่ใช่ไม่เป็นกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสและที่ไม่วิปวิจากกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปวิจากกิเลสและที่ไม่ใช่ไม่เป็นกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศล ทุกปัจจัยมีปัจจัยละก้าวาระไม่มีวิปากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปิวจักกิเลสและที่ไม่ใช่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปิวจักกิเลสและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศลย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอรมณปัจจัยมีสองวาระละถึงอาเสวุณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง อาวิคตะปัจจัยมีห้าวาระแปดสิบสามปิติทุกกะหนึ่งกุศลติตะเจ็ดสิบสี่อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโซดาปฏิมักซึ่งไม่เป็นกุศล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 เหตุ u, ปัจจัยมีห้าวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระเจ็สิบหกอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคซึ่งไม่เป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุมิเชไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นกุศลยอ่อเหตุถูกปัจจัยมีเก้าวาระอรมณปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระเจ็สิบเจ็ด อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิตกซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีวิตกซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไ <refuse> ม <zupełnie> ่ใช <Nad ia> ่ม umm! ีวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีวิจารณซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปีติซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีปีติซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ฉหรคตด้วยปีติ ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่สะหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรอโคด้วยสุขซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ม่ใช่ไม่สะหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่สะหรอโคด้วยเบขาซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่สะหรอโคด้วยเบขาซึ่งไม่เป็นกุศลย่อเหตุปัจจัยนก้าวาระ ละถึงปุเรชาตะปัจจัยมีหกวาระอาเสวณัปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระเจ็สิบแปดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามวจรซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นกามวจรซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งไม่เป็นกุศล ย่อเหตุปัจจใจมีเ้าวาระอารมณปัจใจมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงอัญญมัญญาปัจจัยมีหกวาร ะ, จจาระละถึงปุจจรงเรชาตะปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตาปัจจใจมีเ้าวาระ79อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอโรบาวจรซึ่งไม่เป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งไม่เป็นขุศลย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอรมณะปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระแปดสิบอาศัยสภาวธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุซึ่งไม่เป็นขุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกซึ่งไม่เป็นขุศลย่อเหตุปัจัยมีห้าวาระ อารามณปัจจัยมีสองวาระละถึงอาเสวน button, ปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระแปสิบเอ็ดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวาัตทุกซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏจุกซึ่งไม่เป็นกุศลย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งไม่เป็นกุศลย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณ์ปัจจัยมีสองวาระและถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระแปดสิบสองอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมเอื่นยิ่งกว่าซึ่งไม่เป็นกุศล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 อารมณปัจจัยมีสองวาระและถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิภตตปัจจัยมีห้าวาระแปสิบสี่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จั์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นอกฐฐนุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยย่อเหตุถูปัจจัยมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ แปสห้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นอัพยากฤิตราศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นอภิยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นอภิยากฤิตราศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอรมณปัจจัยมีสองวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระสหชาติวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดารหนึ่งรอยชรณทุกกะสองเวทนาตึกกะเป็นต้นปัจยะเจต ก, กนยเหตุปัจจัป8สิหอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่สัมปยุทธิ์ด้วยสุขเวทนา อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่สัมปยจจุตด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งไม่สัมปยจจุตด้วยอุทุกขมสุขเวทนาย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอรมณะปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิภตตปัจจัยมีห้าวาระแปดสิบเจ็ด อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นวิบากย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณะปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ม่เป็นเหตุให้ใหเกิดวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ยอ่อทุกปัจจัยมีปจัจจใจละหนึ่งวาระ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ยอ่อเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากระปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระแปดสิบแปดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เชื่อฟรอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานยอ่อ เหตุ u, ปัจจัยมีห้าวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมีแจกมคมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานยอ่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ ซึ่งมีแช่ควอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานยอ่อเหตุปปัจจัยมีห้าวาระอรมณะปัจจัยมีสองวาระและถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระหนึ่งร้จารณทุกะยี่สิบสองสนทัศนะตุกะแปดสิบ้าสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรม ท, ที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์รองไห้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องให้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้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 อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เป็นเห aber, o, ตุให้จัดร้องไห้และที่ม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยย่อเหตุถูปัจจัยมีห้าวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากต์ปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีห้าวาระเก้าสร็สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้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 ซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุให้สัจร้องไห้ซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัจร้องไห้และที่มิใช่ไม่เป็นเหตุให้สัจร้องไห้ซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุให้สัจร้องไห้ซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย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 สหชาตปัจจใจมีหนึ่งวาระอัญญามัญญปัจจใจมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยมีหนึน่งว า, าระกรรมะปัจจใจมีหนึ่งวาระละถึงมรคะปัจจใจมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจใจมีหนึ่งวาระอติปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระทุกปัจจใจพึงขยายให้พิสดารธรรมปัจจนญะทุกระติกะประฐานจบ ธรรมปีโดธรรมะปัจจ尼ยะตึกะทุกะปทานขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งกุศลตึกะหนึ่งเหตุทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระเหตุปัจใจหนึ่งสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปั จ, จัย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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอคุศลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอคุศลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคุศลและที่ไม่เป็นอคุศลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอคุศลซึ่งไม่เป็นเหตุ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 อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็ enrolled, oons, in in th, นอ like ัปยากฤิตซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจจัยมีหกวาระ 4. สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจจัย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 สภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตัวปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระอรารมณะปัจจัยมียี่สิบสวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระทุกปัจจัยเพึงขยายให้พิดาร เสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งม่ใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่เป็นอภยากฤิซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งม่ใช่ไม่เป็นเหตุ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 ย่อเหตุปัจจัยมี24วาระอารมณะปัจจัยมี24วาระละถึงวิปากะปัจจัยมีาวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี24วาระทุกปัจจัยเพึงขยายให้พิจารณา 1. อุสละติ ก, กะ 2. เหตุ ก, กะทุกกะ 8. สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีเหตุ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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีสิบห้าวาระอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอธิปติปัจจัยมี9้าวาระละถึงวิปากปัจจัยมี9้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสิบห้าวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาเกสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุ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 อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมียี่สิบสี่วาระละถึงวิปากปัจจัยมีเ้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมียี่สิบสี่วาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดารหนึ่งกุศลตุกกะสาเหตุสัมยุญตทุกกะเป็นต้น ๑๐อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมพยุตยเหตุยอ่อเหตุปัจจัยมี๑๕วาระอารมณปจจมรป์ปัจจัยมี๙วาระอธิปติปัจจัยมี๙วาระละถึงวิปากปัจจัยมี๙วาระและถึงอวิคตะปัจจัยมี๑๕วาระ 11. อ, อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่วิปวิจากเหตุยอ่อ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 อาศัยสภาวธ ร, รรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่วิปยุจักเหตุและมิใช่ไม่เป็นเหตุย่อเหตุปัจจัยมียี่สิบสี่วาระละถึงวิปากาปจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตปัจจัยมียี่สิบสี่วาระสิบสามอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่ใช่มีเหตุย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและเก้าวาระ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่ใช่ไม่มีเหตุยอ่อเหตุปัจจัยมียี่สิบสี่วาระละถึงวิปากปจจา ะ, ะ, าะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิบสี่วาระหนึ่งกุศลตะ ก, กะเจ็ดจุลันตระทุกะสิบสี่อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไมิใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุศนซึ่งไม่ใช่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งยอ่อเหตุปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระอรารมณ์ปัจจัยมียี่สิบสี่วาระละถึงวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมียี่สิบก้าวาระสิบห้าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุศลซึ่งไม่ใช่เห็นได้ยอ่อเหตุปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระ อารามณะปัจจัยมียี่สิบสีวาระละถึงวิปากะปัจจัยมี9้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมียี่สิ้าวาระสิหอาศัยจภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่กระทบได้ย่อเฮตุปัจจัยมียี่สิ้าวาระอารามณะปัจจัยมียี่สิบสวาระละถึงวิปากปัจจัยมี9้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระ สิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่กระทบไม่ได้ย่อเหตุ ป, ปัจจัยมี9้าวาระและถึงอวิคต ะ, ะปัจจัยมี9วาระ 18. อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นรูปย่อเหตุ ป, ปัจจัยมี24วาระละถึงวิปากะปัจจัยมี9วาระและถึงอวิคตะปัจจัยมี24วาระ19 Writing, Eller, อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นขุศลซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นรูปย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระยี่สิบอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นขุศลซึ่งไม่เป็นโลกียะย่อเหตุปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระละถึงอาิเศวนปัจจัยมีเก้าวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระละถึง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 อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ย่อเหตุปัจจมียี่สิบ้าวาระอารมณะปัจจมียี่สิบสี่วาระและถึงวิปากะปั จ, จัจมีเก้าวาระและถึงอวิคตะปัจจมียี่สิบ้าวาระ